ทุกข์ใจสาเหตุหรือรากเหง้าเนี่ยมันกล้วนแล้วแต่มาจบลงที่ความยึดติดนะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าชาท่านพูดสรุปเอาไว้ดีนะเตือนใจเราได้ดีมากเลยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเ พ, พราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุด ทุกหลุดเพราะปล่อยจําท่อนแรกกับท่อนท้ายก็ก็ช่วยได้เยอะแล้วทุกบีเพราะยึดทุกหลุดเพราะปล่อยคนเรามีเวลามีความทุกข์ใจเนี่ ย, ย, น ย, นยเนี่ยน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถนัดว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันเกิดเพราะการยึดหรือว่าการที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ย ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะหลุดจากความทุกขนะ์ได้มากแต่คนเราเวลามีความทุกข์ในบางเรื่องบางอย่างนี้มันเห็นได้ยากนะว่าเป็นเพราะความยึดนะหรือการถืออย่างเช่นคนเวลาโกรธเนี่ย ไอ้ความโกรธมันก็เผาลนใจนะแต่คนเราเวลาโกรธเนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักเลยนะว่ามันเกิดจากความยึดติดเพราะตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะตอบโต้คิดแต่จะตอบโต้ด้วยคำพูดต่อว่าด่าทอกลับไปพูดให้มัน เสียดแทงใจเมื่อจะถึงขั้นลงไม้ลงมือคิดว่าจะทำร้ายเข้าคลองหรือว่าทำร้ายร่างกายหรือว่าหาทางจะสร้างความเสียหายกับให้กับเขาอย่างไรยังจะไม่ค่อยได้หันมาถูกคิดนะว่าเนี่ยเป็นเพราะ ความยึดความถือมันต่างมันตาจากคนเวลาทุกข์เพราะโศกเศร้านะเช่นโศกเศร้าเพราะเสียของรักหรือว่าสูญคนรักเนี่ยในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วจะให้คนรักเขา ฟื้นคืนกลับมาหรือว่าจะให้ของที่สูญเสียไปมันกลับมามันทำไม่ได้แล้วพอรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มได้คิดแล้วนะว่าโอ้ไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยังเอาแต่คิดไม่หยุดนะคิดถึงของที่สูญคิดถึงคนที่จากไป ตอนนี้แหละที่จะเริ่มได้คิดนะว่าเออมัอนเป็นเพราะเรายึดเอาไว้ยึดของเหล่านั้นหรือว่ายึดคนคนนั้นเอาไว้ทั้งที่สูญไปแล้วเสียไปแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือเวลามีความห่วงยังมีคนหนึ่งก็เราว่าเนี่ยผู้มีพระคุณเดือดร้อน ก็พยายามช่วยช่วยแล้วช่วยอีกแต่มันก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างแท้จริงให้เงินช่วยไปมันก็มันก็ เ, อ, กเอาถมลงไปในแม่น้ำพยายามช่วยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างแท้จริงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโหยงใจ ในราะวะเช่นนั้นเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยเขาได้อีกแล้วก็ยังทุกข์นอะยังเป็นห่วงเขาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงตรงนี้แหละนะที่จะตระหนักว่าเนี่ยเป็นพ่อเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง คนเรานจะตรหนักว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเรายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเนี่ยก็เพราะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เหมือนตอนที่โกรธเ่เวลาโกรธเนี่ยนะมันก็ยังมีความคิดที่จะทำนั่นทำนี่ตอบโต้แก้แค้น แต่ความโศกความเศร้าหรือความห่วงความวิตกกังวลในหลายกรณีเนี่ยมันก็รู้ท้งรู้นะว่าทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อยังเศร้าอยู่มักยังห่วงอยู่แล้วก็เริ่มได้คิดว่าเนี่ยเป็นพราะเรายัา ง, ยางยังึดเอาไว้อยู่แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่ายึดนะแต่มันรู้สึกว่ามันคิดไม่อยู่สักทีหรือว่ามันหมกมุ่นคลุ่นคิดอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอาการของ ความยึดติดถือบ้านแบบเป็นอาการของการไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดไม่หยุดหมุนบุนคุณคิดอยู่นั่นแหละคิดวนไปเวียนมาในในสภาวะที่รู้ว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ยจึงจะตระหนักว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะยังยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้ามันยังทําอะไรได้อยู่นี่มันจะไม่คนเราถ้ายังทำอะไรได้อยู่นะ ก็จะยังไม่ถูกคิดนะว่าเป็นเพราะไอ้ทุกนี้เป็นเพราะยึดนะก็อย่างดิ้นลนที่จะทํำนั่นทานี่ต่อไปเช่นเดียวกับคนที่ติดการพ น, นันเนี่ยเวลาเสียไปเนี่ยไอ้ความเศร้าเพราะเสียความทุกเพราะเสียทรัพย์เนี่ยมันมันไม่ทําให้ฉเฉลียวใจนะว่าเป็นเพราะความยึดความหลง ตอนนั้นคิดแต่ว่าจะหาทางเอาคืนได้อย่างไรหมดพันก็ไปหาหมื่นเสียหมื่นก็ไปหาแสนมาทุ่มเข้าไปตอนนั้นเนียไม่ได้คิดเลยนะว่าเออมเป็นเพราะความยึดคือยึดในเงินที่เสียไปมันยังปล่อยวางไม่ได้ก็เลยอยากจะเอาคืนอยากจะเอาเงินที่สูญไปคืนก็ต้องหาเงินใหม่มาทุ่มเข้าไปแต่ยิ่งทําก็ยิ่งสูญยิ่งเสีย ก็ยังคิดยังไม่ได้คิดนะว่าเป็นเพราะการตัดใจไม่ได้กับเงินที่เสียไปยังยึดยังถืออยู่ไม่ปล่อยไม่วางก็เลยต้องไปดิ้นรนหาหาทางเอากลับคืนมาตอเมื่อไม่มีเงินจะไปทุ่มรู้ว่าเสียแน่ๆแล้วเอาคืนน่ะไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นเป็นล้านก็จะเสียใจนะเกิดความเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังทําใจไม่ได้กับ เงินที่เสียไปกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงตอนนี้จึงค่อยรู้ว่าเนี่ยทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อยแต่ละคนก็พบว่าทั้งที่รู้ว่าเนี่ยทุกข์เพราะยึดแล้วก็ถ้าปล่อยเนี่ยถ้าวางเนี่ยมันจะหายทุกข์นะแต่ว่าหลายคนก็พบว่ามันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้จะได้ยินบ่อยเลยนะคนที่มีความทุกข์ ใจเนี่ยก็จะพูดว่าเนี่รู้ว่าเป็นเพราะยึดแต่มันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้เวลาบอกว่าเออปล่อยวางเธอแล้วหลายคนจะพูดนะพูดง่ายแต่ทำยากที่จริงการยึดเนี่ยนะหรือการแบกนี่มันยากกว่าการปล่อยนะนึกภาพนะเราแบกก้อนหินเราถือก้อนหินระหว่างการถือก้อนหินกับ ก, การปล่อยก้อนหินเนี่ยอันไหนมัน ยากกว่ากันปล่อยมันง่ายถือหรือแบกเนี่ยมันยากกว่าแต่ที่คนมักจะพูดว่าปล่อยมันยากเนี่ยเพราะว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ยากทั้งนั้นแหละตอนเราเขียนหนังสือกอไก่ขอขายมันก็ยากแต่ดีนี้มันกลายเป็นง่ายซะแล้วแต่จะมาไปขับรถก็ต้องรู้สววึกวมันยาก แต่หลายคนขับรถนี่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าขับจนชินแล้วนี่ก็บอกก็ไปนะแนะนำก็ไปว่าให้นะไอท้ที่ไอ้ที่เรายึดเนี่ยเพราะเราหลงเราไม่รู้ตัวที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคิดแต่เรื่องเดียวซ้ำากเนี่ยเป็นเพราะมันไม่มีสติให้มีสติรู้ทันความคิด ให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทาให้ปล่อยให้วางได้หลายคนก็ลองไปทำดูนะพยายามมีสติแต่ทำไปสักพักไม่รู้ว่าทำไปนานเท่าไหร่ก็จะบอกว่ามันยากการมีสติการเจริญสติเป็นเรื่องยากอันนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะคนที่เห็นประโยชน์ของการเจริญสติว่าช่วยทำให้ปล่อยให้วางได้ มันจะพูดว่ามันการจลสติเป็นเรื่องยากทำไมมันยากนะก็อย่างที่บอรนะ์นสื่อเพราะมันเป็นเป็นของใหม่และที่สำคัญคือมันเป็นการทวนความเคยชินหรือนิสัยเดิมๆนิสัยที่ชอบหมกมุ่นคุนคิดรวมทั้งการที่เราปล่อยให้ความคิดมันเป็นใหญ่มาช้านาน ตั้งแต่เล็กจนโตจนแกนี่เราหารูไม่นะว่าเราเนี่ยปล่อยให้ความคิดเป็นใหญ่เป็นนายเราการที่เราชอบใจลอยปล่อยใจลอยอันนี้คือการส่งเสริมให้ความคิดมันเป็นใหญ่เหนือใจเราเองเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็น เบาที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เร็วถ้าเรารู้จักฝึกเป็นนายความคิดรู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดลงบ้างนะความคิดมันก็จะกลายเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่รู้เนื้อรู้ตัวหรือพอรู้ความเนี่ยเราเอาแต่เลี้ยงความคิดให้อาหารมัน เป็นความคิดที่หลงคิดนะจนกระทั่งมันมีอำนาจเหนือจิตใจของเราแล้วมันก็เลยครองจิตครองใจเราเช่นเดียวกับอารมณ์นาน า, น า, นานชนิดเนี่ยที่เราปล่อยใจไปตามอารมณ์ซึ่งก็คือการให้อาหารมันการที่เราให้อาหารมันไม่ว่าจะเป็นความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ย มันทำให้พวกนี้มันมีอำนาจเหนือเราเสร็จท้ายมันก็ครองใจเราเจอทั้งเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลยคนเดินนี้นี่จะมีปัญหามาควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันครอ ง, งําจิตใจหราต้องความคิดฟุ้งซ่านอยู่ความคิดเนี่ยที่นึกถึงของที่สูญไปคนที่จากไปนึกถึงคนที่ เรารักเราห่วงใ่แล้วก็สลัดความคิดนั้นออกไปจากใจไม่ได้เนี่ยนี่ก็เพราะเราปล่อยให้มันเป็นใหญ่เหนือใจเราแต่มันก็ไม่สายนะมันไม่สายที่เราจะสามารถจะ้ีกว่าทำให้ความคิดและอารมณ์เ่านี่มันเชื่องลงอันทีาเราฝึกรู้สึกตัวฝึกนะสติให้รวดเร็วปราดเปรียว มันก็จะช่วยทัดทานความคิดและทักท้วงเวลามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ให้มาครอบงำใจเราได้แล้ววิธีที่เราเจริญสติเนี่ยนะมันก็มันไม่ใช่ต้องมาเข้าขอคอร์สมาเดินจงกรมนะเป็นวันๆอย่างเดียวที่จริงอันนั้นเป็นวิธีที่มีประโยชน์นะเป็นทางลัดนะเป็นทางลัดนะเพราะว่า มันเป็นการเรียกว่าเหมือนกับ ต, ติวเข้มอ่ะติวเข้มเพื่อทำให้สติเราเติบโตวรวดเร็วในเวลาที่จำกัดจนสามารถจะทัดทานความคิดและทักท้วงอารมณ์ได้ซึ่งนำไปสู่การปล่อยการวางเพราะว่าพอรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็จะวางได้หรือสลัดความคิดออกไปจากใจสลัดอารมณ์ไปจากใจได้ มันเริ่มจากการที่มีสติรู้ทันหรือมีสติรู้ตัวว่าเผลอคิดเผลอปรุงอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแต่ระหว่างที่เรายังไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราให้เวลาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเวลาใจมันเผลอคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่ว่าให้มีความตั้งใจเพราะว่าพอคิดไปได้ทั้ง 7-8 เรื่องมันก็จะกลับมารู้ตัวหรือว่าเกิดมีสติเราสามารถฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวได้นะและนำไปสู่การปล่อยการวางด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจับหลักเอาไว้ให้ได้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่ น, น, น, นทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้น ทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยนี่เป็นหลักการเจริญสติง่ายๆไหม่ๆเนี่ยมันก็จะก็ยังฟุง้งก็ยังเครียดก็ยังกังวลก็ยังเศร้าแต่ว่าถ้าเราขยันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทุกน้อยลงเพราะามันมีการปล่อยการวางได้มากขึ้นเพราะมีการรู้ทันแต่หลายคนเนี่ยพอทำไปได้สักพักก็จะ ก็จะท้อแล้วไม่อยากทำแล้วแล้วก็จะบอกว่ามันยากมันยากคนที่บอกว่ายากเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่ท้อและส่วนใหญ่ที่ท้อเพราะว่าหวังผลเร็วบางที่ทำได้ไม่นานบางคนทำได้แค่วันสองวันก็เลิกทำแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลมันก็ยังฟุง้งมันก็ยังเครียดอันนี้เป็นเพราะใจร้อนก็แปลกนะเราไม่ค่อยให้เวลากับ กับการเจริญสติกับการฝึกจิตเท่าไหร่แต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเราให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่เคยรู้สึกท้อไม่เคยคิดอยากจะหยุดเลยอย่างเช่นคนที่ซื้อลอตเตอรีตตร่เนี่ยนะส่วนใหญ่หรือจำนวนมากก็หวังรางวัลที่หนึ่งแต่ซื้อกี่งวดกี่งวดก็ไม่เคยถูกแต่อยยางซื้อนั่นแหละไม่เคยมีความรู้สึกว่าท้อเลย ไม่เคยมีความสุดท้อจนอยากจะหยุดซื้อเลยก็ซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยเป็นปีบางคนซื้อมา20ปียังไม่ถูกลอตเตอรี่มาที่หนึ่งเลยหรือถูกระหวัตใหญ่ๆก็ไม่เห็นเขาเลิกสักทียังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะถูกทั้งที่ถูกกินมาเป็น10ปี20ปีแล้วแต่ไม่เคยท้อไม่เคยหมดหวังไม่เคยหยุดแต่พอเวลาจะมาเจริญสติเนี่ยทำไปได้แค่วันสองวัน แล้วก็ไม่เห็นผลชัดเจนก็บอกแล้วว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยากเพราะหยุดทำดีกว่าทั้งที่ไอการที่เราลงมือปฏิบัติเจริญสติหรือเวลาที่เราให้เนี่ยมันคุ้มค่านะเพราะถ้าสติเราจเจริญ สติเรารวดเร็วฉับไวนี่พวามันสามารถที่จะปลดเปื้องความทุกข์ไปจากใจเราได้มากเลยแต่หลายคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรือไม่ยอมให้เวลากับมันกับเรื่องอื่นนี่ให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินเช่นเรื่องอบายามุกเรื่องการพนันนี่ให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินทั้งที่ถูกกินงวดแล้วงวดอีกงวดแล้วงวดเล่าหรือว่าไม่เคย ชนะเลยนี่เป็นพ่อะอะไรนะเป็นพ่อเราไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติแล้วมักจะอ้างไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ถามว่าเราแล้วทำไมเรามีเวลาให้กับความทุกข์มีเวลาให้กับความโกรธแล้วคนเราเนี่ยให้เวลาความโกรธมีเวลาให้กับความโกรธมีเวลาให้กับความทุกข์มีเวลาให้กับความเครียดเนี่ยเรียกว่าทั้งชีวิตหรือตลอดชีวิตเลยนะ มีเวลาให้กับมันไม่อั้นแต่พอจะมาปฏิบัติเนี่ยบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลานะทำไปทั้งน้าทไปทั้งหน้าบอกวันยากนะไม่ได้ผลที่ิการเตือนสติมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยมันก็ทำไปพร้อมๆกับการทำกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วอาบนา้ำถูฟันกินข้าวกวาดบ้านทำครัวหัน่นผัก เดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดคุยกับลูกอยู่กับพ่อแม่นี่ก็เจริญสติได้ทั้งนั้นหลักของมันคือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็รู้นะว่าทำสิ่ง น, นั้นถ้าทำด้วยมือทำด้วยกายก็รู้นะว่ากายและมือมันเคลื่อนไหวเวลาเดินมีสติการเดินก็เพียงสักแต่ว่ารู้ว่ากายมันเดินตัวขยับเท้าขยีย้ยืมอันนี้รู้ว่ารู้กาย ในระหว่างนั้นถ้าเกิดมันไม่รู้กายเพราะมันเผลอคิดไปก็ธรรมดาไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปบังคับจิตไม่ห้คิดก็เพียงจากแต่ว่าให้รู้ทันเมื่อมันคิดจะรู้ช้าก็ไม่เป็นไรเพราะต่อไปมันก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอรู้แล้วยังไงรู้แล้วก็วางมันวางของมันเองแล้วกลับมาอยู่ที่การทากิจกลับมารู้กาย ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รู้กายมันจะรู้ทันความคิดและต่อไปก็จะรู้ทันอารมณ์ให้การเจริญสติเนี่ยเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าทำอะไรก็เจริญสติได้และเวลาเราเจออะไรมากระทบเนี่ยมีอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบนั้น ทุกวันนี้มันทั้งวันนี้เราเจอสิ่งกระทบเยอะแยะมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายบางทียินดียินได้บางทีใจฟูใจแฟบไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบพื้นฐานสมการจลน์สติได้ทั้งนั้นทําอะไรใจก็รู้รู้กายเจออะไรก็รู้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นนะใจฟูใจแฟบใจแกว่งไปแกว่งมาก็รู้แค่นั้นเอง การรู้อย่างนี้เลยนะทำมากๆเข้ามาก่เข้าเนี่ย ม, ม, ม, ม, มันจะทําให้เกิดพลังในการปล่อยการวางวางอะไรนะวางความคิดที่ทําให้ทุกข์วางอารมณ์ที่ทําให้ทุกข์ทุกมีเพื่อยึดนะทุกหลุดเพื่อปล่อยนะจะปล่อยได้ไม่ใช่เกิดจากความอยากจะปล่อยมันต้องมีมีเครื่องไม้เครื่องมือนั่นคือสติขขความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นแล้วทำได้ชีวิตประจําวันนะแต่ยใจร้อนนะต้องให้เวลากับมัน เหมือนกับที่เราให้เวลากับอะไรต่ออะไรมากมายรวมทั้งเวลาในการดูหนังฟังเพล ง, งเวลาในการเที่ยวเราให้เวลากับสิ่งพวกนี้ไม่อันแต่เวลาที่จะช่วยทำให้เรานะหลุดจากทุกข์จริงๆกับไม่ยอมให้เวลากับมันเท่าที่ควรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยต้องจมอยู่ความทุกข์เรื่อยไปจนกว่าความทุกข์มันจะสอนนะว่ามีแต่ฝึกจิตเท่านั้นแหละที่จะทให้เราให้ใจหลุดจากทุกข์ได้